Thank you. แต่วัดเดียนเสร็จไหมที่หลวงปู่เดียนสอนคือการเสร็จดับดับไม่เด้อยของนามบรรลปของรูปนามคนไทยคนจ้นนะโยูจาะบริสตังทีวีเศษจูมิเวีวิโยอีกอหังชิวิตังเฉยยอุบุตูบริยอยง วิธียังลำบากโตทางลทนหลังนะหลวพ่อเดียนพูดดีตอนนี้มีชีวิตอยู่หนุ่ยปีไม่ไปเจอแต่เลยถ้ามีความเทียนมั่นคงปฏิวัติถึงการเปิดดอกไม่เหลือแห่งนามรูปรูปนามไม่ยึดยึียึดบันเดียเดวเระเจอทั่วเคอได้ยินไหมนะได้ยินไหม เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเดืนมันจึงไม่มีความแก่เพล้เจ็บเพลตายไม่ต้องงงเราไม่งงพวกเราทุกๆถงเองตัวเองดีกว่านไม่มีทางเรียนหนุ่มนอกจากปฏิวัติคำนันหรอ สอนพว ก, กจีนสอนจบเรียงเลยยังไม่ได้ไปที่วัดเลยนะยังไม่เห็นไปที่วัดเลยกี่กีวันยังไม่เห็นไปที่วัดเลยครับะยังไม่เห็นคนจีงไปที่วัดป่าสุกโตเลยครับ <c oughs> แล้วพวตบางควบอกว่ามันชิดมีนาทีนะ ไม่ยากอะไรตอนนี้เศรษฐีทุกเวลาทีเนี่ยตอนมันไม่มีอะไรก็รู้สิบตัวอยู่เนี่ยตอนมีอะเกิดขึ้นนะผมเรียกว่าอาการทางกายทางจ็บเกิดขึ้นพอรู้สิตัวเดี๋ยวให้หลงเฟ้นหลงย้ายสุกเฟ้นจุกย่อยทุกเฟ้นทุกให้เป็นความรู้สิบตัวทั้งหมด น่ามีมาใช้ไหมไม่เส้นประโยชน์ได้ประโยชน์จะความหลงก็ได้ความไม่หลงได้ประโยชน์ความสงบก็าได้ความรู้สึกตัวได้ประโยชน์ความพุ่งซ่านเขได้คมรู้สึกตัวได้ประโยชน์ทุความผิดเขาเคยควมรู้สึกตัวได้ประโยชน์จะความถูก็คือควมรู้สึกตัวงานีทุกวลนาทีมีว่วมเปลี่ยนมั่นคง ไม่ใช่ขยนันเดินจมบังตัวนอนอยู่อะไรได้เลยทีเดียวเนี่ยมันจะดวกนะเอาเดินทางทําวันจะดวกทํานะําพามันจะดวกด้วยให้บวกเกย็นด้วย <c oughs> ตั้งตรงนี้ให้ดีเขียนได้ทุเรื่องที่มันเกิดขึ้นในไจเจ้าเนี้ย ไม่มีเลยเปลี่ยนเป็นโฟลูกไปได้เลยรออเราดูด <c> ต <oughs> ัวเป็นสริงจังจริงทำบัญชานี่เป็นเปลี่ยนจริงจังจริงทำไมติดตัว <c oughs> อะไรไม่สัจเพศเศรยฐีนอะไรมาเาก็สัจเพศธรมฐานมันสัจเพศมีมาคู่กันกับทำให้พระเจาตัดทะลุพรเจ้ามีธรมถานหนี่งไว้เจชาทุลไม่ให้ขวารู รวมรู้ไว้องศกมาสิบเกตศาสตรไม่ใช่เลยใช่รวมรู้สิบตัวนี่เท่านั้นอะไรเกิดช่นรู้สิบตัวอะไรเกิดขึนรู้สิบตัวที่ถึงเพียงภาลู้สิบตัวที่ถึงลางหวนรู้สิบตัวที่ถึงประศาสตวราดูรูปสิบตั ว, าษาษา ว, ตวคิดอะไรกันตามท้าวมาเกิดแต่งมเช่อ คนก็ชีดเตือนท้งนั้นแหละได้ดรารสอนคนนั้นไม่ไม่ได้เขียนหนุกใครก็สอนได้่ดว่าคนที่ปฏิบัติตะเคียนฐานใช่ไหม มาเท่าก ว, าวนอนเหมนคนอื่นใ่ครับพี่่อใ่รัถกแล้วครับถูกแล้วครับกับใจล่ะถูแล้วให้ผมเขียนดังนะจัรย์สพเนี่ยผม ว, ว่าอย่ามาคิดว่าเราเก่งไม่ใช่เลยจนปฏิวัติชาเขาขึ้นไงเพราะอาจารย์สมพนเนี่ ย, ยมันอายะตะัตนะมันมันรวมคนดีมันไม่รวมพดอย์ไปไหนแต่ลุกไปได้จันย์สมันลุกไปได้ ยืดไหล่ยอดทางใจเรือเล่องานทางใจไม่ก็เอาทางใจลงไปเลยหรือวทางใจเด่นเดียวก็ถึงที่สุดแต่งทุกได้โดยไวที่สุดนะในการจีน่ะยอดบ่อยให้มันคิดอะไรจนเสียเวลามันมีเรื่องที่จากตัวบุคคลไปนั่นเองไม่ใช่ผู้สอนจีน อาจารย์นั่นเก่งอาจารย์นีาา่เก็งอยู่ท่กันเลยผู้ไปเลยวัดเก่ง ต, ต่าไอหว่ายังไงคนไปที่วัดยังไปหาหลวงพ่อนะครับเนาะคนไปที่วัดนี่ยังไปหาหลวงพ่ออยู่นะครับเออแล้วมามารู้เรื่องนี้มาใช่มาใช่มาใช่มาใช่ใครที่ไหนเลยมันอยู่กับกรรมหรือกันจะกรรมเกยด กรรมฐานที่เขาให้เราเฉยทุกอย่างยิงอาใส่กรรมฐานหมดเลยในรูกเนี่ยแบบเหมือนจีขวัญจอิงอาใส่กรรมฐานทั้งหมดเหนแ้ว่าครับคนนี้ตามไม่หาหลวงพ่อครับไม่เจอหลวงพ่อครับเลยตามมาที่โรงพยาบาลนะหลวงพ่อยอ่นี่เลยครับมาจ้องมาที่เราดูการปฏิบัตใช่ไใช่ครับถ้าถ้าเหมนหลวงพ่อวานั่นแหละ นั่นแหละท่านเขาสอนหลวงพ่อเจ้าอะไรให้หลวงพ่อเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรพุทเจ้าหลวงพ่อพุทธเจ้าเขา c ลวงพ่อมาช่วยอะไรกันได้พุทธเจ้ามาช่วยมาได้เข้าใจไหมไม่ใช่พุทธเจ้าช่วยอะไรทุกคนหรเขาต่างหากที่เขาช่วยคได้ พวกผู้ขัดิตจะอยู่หูคนไหนโอ้จิตตรงนี้ตัดตชอบฟันน่ยโนนเนี่ยนยเยอะหลงก็ยงเป็นหลงอยู่ดูก็ยเป็นดูอยู่นี่ยังเป็นเลยเยอะอกนวหลงดีดีทอดดีงนตัวด้วยด่วยทั้งนยเยอะผูเขัิต a n อยู่ผอหลงคือลูนี่ นี่เดี๋ยวว่าบุคคิบุคคลเหมือนบัวพ้นนะั่งย่อเก็บเกียบ ว, วคลปฏิบัติต่งางการไม่ใช่เกยบเยรื่ยงลมอะไรใจเดี๋ยวทำผลแน่เพราะมีกต่ตัวไกลเยอะมากเรนวนรถเมื่่นงานไปนิด เ, <c oughs> เดียวสัเงกเกตดูนะน่าเคารพพอ วันนี้การไปเทไรเราจะไม่เปลี่ยนเลยันิโบ่ไม่แห่งไงในเราไ้ยินมหรอผมก็มีมิตรดีเพื่อนดีจหายดีผู้เวรรอบดี ผมก็เอาหล่งแคผมมไล่ชาวบนเบื่อไรกันพุ่องอยู่นี่คนเยอก็พอแล้ใมาไม่ต้องมาเราจะมาอยูเ้ามาดูไม่มีประโน์ลวพุ่่งเนี่ยมันก็มีกลุ่มเข้าไปที่วัดเองพุ่งนี่พระนศเนี่ ย, ยก็เลยต้องมาใส่กงคืนเนี่ยว่าทาไมมาตอนนี้ยังไม่ได้แล้วก็แล้วให้ผมให้ผมดูับคนที่ผม ไร้ายเสลือแวหลวงพ่อครับวพครับแล้วก็ไปขู่พวกเราไงบอกว่าเดี๋ยวยาวหลวงพ่อไปรักษาแล้วจะไม่ได้มาคุยแล้วนงเพราะว่าอย่ามาให้มาคุยแล้วไหเพราะอันนี้ปรโยชน์เลยเพราะว่าแบบจงเราเลยพ่อไม่เจ็บไม่ปวดอะไรยงใจขึ้นวะ พุทเจ้าแสนเสน่ห์่นที่ไม่มาเยี่ยมใช่ไหมเป็นเจ้าอาพาธนะพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่มาเยี่ยมพุทเจ้าเลยพราสงฆ์บราณทั้งหลายมาเข้าพุทธเจ้าองนั้นด้วยมาเห็นมานี่เห็นมาจูดจานตั้งใหญ่พุทเจ้าเปยงพูดไปบ่อยก็เลยเพื่อแก่งูสงฆ์ทั้งหลายเรียกพระรุ่นั้นมา พระสงฆ์รู้่าพเจเดียว่าได้ยินหมูสงรอช่วงว่าพวกคณมาไม่มากาดูพุทธเจ้าอานบัตรก็ยากกอนแต่านยัมเห็น่าเลยพรสงรูทนว่ารู้ว่าพุดเจ้าใกล้ปนิานมแล้วก้ปนิพานมาแล้วก็เลยเล่นปัติเข้าไปโดยไม่ไดดมมาเจ้า บอกพ่อสองต้องเอยอย่าง okay. ัต์โชกนี่พ่อสองก็เลยไม่จดใจาเลยเลยยกเงินไปนี่ซื้อสงของแบบนี้มันจะมาพ่อมาดูอะไรทำตุ้มคนเดียวก็อยู่จริงหรอเคื่อนนี้ให้รู้เพื่อนอะไร ตายคนหมอตาแล้วก็เวียนเวียนเลยมองิดว่าก็ูว่าตัวไม่ปกติพอตายแล้วก็ยเปิดประตูห้องน้ำไปถ้ามีแรงก็จะแกว่งตู้พวมาลุกันเวียนเวียนเลยมองเหรอประตูไม่เห็นเลยทั้งถือช้อนโปรตีเศษฝ วันไหนนอนจอยขนาดนี้ก็โอ้โ d เลยเดี๋ยวจอยชานั่งชั a วโมงเลยดีแล้วก็เอาขาขึ้นมาโอ้ยนอนแบบนี้นอนจอ n ขึ้นไปก็ค่อยจะหนบ้ง็มาดูมหมดขาดเลเยมู้ด ถ่ายทอดนั้นก็กดกลิ่ามีให้กดกลิ่นมีให้กดกลิ่นโดยกาวงพ่อสร้างอยู่แล้วนั่นเราตัวช่หมดเลยค่ะเขานี่ทีกดเรียงด้วยค่ะพี่ที่กดกลิ่นเรี่ยงหมดมีที่กดกลิ่นที่กดออดกอดไม่อำเดือดใดถ่ายทอดนั่นลงด้วยัระตุ้น ว่าว่านั่งท่าพค่ะร้อนวายอ่อืม่ามอถมือซึมไปเลยนะตบมาจะสบายแล้วือปุ่งใส่มาแคกเดี๋จะหลับสนิทพ่อมือมือพ่อแดงนะแดงมือเสี่ยพ่อมือแดงนะมือยังมีเลือดแดง มันก็ไม่มีอะไรเป็นทุกเรื่องนะเลือดลมบิ่งได้ตามปกติอยู่จิตใจก็ยิ่งสุดยอดเลยเรานี่เรารใสยซึ่งจิดไม่เป็นเลยนะหรืว่าเป็นทุกข์ทุกก็ไม่เป็นทุกข์เลยิตต้องเป็นจิตเลยเท่าไหร่ก็ อ, อดได้า สอนเตกอบมันไมาได้สนตายกอบมันไม่ได้ไม่ดีสินหรอกหลังตอนตื่นใจคิดตายหรือมอไปอยู่นู่นเดี๋ยวหมออยู่ที่นี่ครับ <ไป S 2> อยู่ที่น <ไป S 2> ี่ค่ะกลุ่มเนี้กลุ่มเนี้ไปที่นู่นนะ่ะกลุมไปที่ น, น่ น, นไปรับคนมา ใหญ่มันยังไม่เชื่อดึงไมาได้นะแล้วบางอาหารเนี่ยต้องตามกฎเยี้ยก็มาดูปแป่พวกวันี้เกี้ยงอาหารมา ก, ก, ลกเลยไม่สะวกไม่สะดวกแบบที่ เท่านี่ก็เครืองเคืองโ่อ็อออหมาเหมือนจะมีอะไรมาของก่อถึงยมันทำได้จะี่าฆ่าก่แต่ราบก็บัดนิสัยตัวเองไม่ต้องข่าก็แต้ก็เรื่อยแล้วก็หัวนำลายมาเข้ น, ม, น ม, ามาก็ยังมีมาก เม่มันหล่อยางตัวน <c oughs> ี้ไปก่อนไปทาให้ติดเพื่อนจะเดืดจะเนี่ยถึงนะถ้ามีเจมส์มาไม่ก็จะไม่ไม่ก็จะไม่ลื่นถ่ายเทียนดูตัวนี้นี่ไม่ไม่ไม่คุ้นเลยยงไม้นตลเดต่อไปก็ไปคุ้นนะ มีโหลดทหารมนไม่ใช่มันใช่เรื่องเดียวถึแล้วโหลดหารก็มีสยางเข้าหยุดแขนที่อีมันก็แปลกๆัน่งีัก็ดีนะที่เราเขวาตัดเขาก็ไม่เด้ต่ออปนี่เลยเขาสอข้อขวาเนี่ยอยเยไหม ก่อนก็เพราว่ามองอะไทีมากเท่านี้ก็จะเขาจะไม่เจ็บเท่าที่เขาก่อนแต่ทีแล้วเขาชิมเลีวไปตรวจแต่ที่แล้วจำเนี่ยคนจำเนี่ยเขาจะพอจำใจอยู่ไปหมอใหญ่แล้วบอกว่้นี่เขาจะรจะู้ว่าตัดเอง ไม่เด็กแค่จริงๆเลยเด็งโอ้ยใเญ่ยัดตอนวันจันรเชิญ้าไม่ดีนะได้ับวาเป็นต้องงงตัวน้อใหญ่อาจารย์หนู คงว่าไม่ไม่ห่วงขันหลวงพ่อหรอครับไม่ห่วงขันหลวงพ่อหรอครับไม่ไม่ห่ว ง, งร <c oughs> ไรห่วงก็ห่วงสายเราอย <c oughs> ู่ก่ <c oughs> อนในโลกนี่ยขันันเราก็มีอะไรห่วงไม่ไม่อะไรสรำเก็บทุกวัน แต่นี่ยเลยมันยุ่งเหยิงอ่าี้ยมันคอยช่วยกันเจ็บออกมันเจ็บไม่ทำมนกันมั้มัน้ากดนไปมีไหมจะดูดีมั้ยมจริงเป็นเนีรยผมจริง เยอะคืนนี้จะนอนกันที่หอจดหมายเหตุส่วนโมกหออจดหมายเหตุส่วนโมกเนะอนไหมนอนไหยหอจดหมายเหตุส่วนโมกครับโอ้ดีเนาะเออดีดีแล้วก็ตอนเช้าก็จะเดินทางกลับวัดเลยเออดีเลยดีเลยดีเลยดีเลยจี๊ดจอเขาด่วนแล้วก็มาได้กันนะครับมาได้กันที่ ที่สวนมอบไปปฏิบัติกันที่นนนะที่วัดครับไม่เป็น <laughs> ้ตด้วยเลยนั้งน้ำหนักลดลงสามกิโล เดี๋ยไม่เดือหกสิบสี่หกสิบหกหกสิบวันวันพาตันเดียหกสิบเอ็ดแ่รกผมว่ากรมมัจะมาด้วยฮะผมว่ากรมมันจะม่ด้วยมา เมื่อกีคิดเอาไว้ว่ามันมากลางคืนพอนมันมากลางคืนเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าหลวงพ่อจะได้พักอืมก็เลยกล่าวว่ามาหลวงพ่อพักก็มไม่เป็นไรก็จะมาดูแล้วกันหน่อยพอมาเชิงเงื้อเชิงเงื้อดูอ่านหลวงพ่อกรดิกกรดิกอยู่ว่า ก, ก็เลยเ<ะ>ดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดแค่นี้ก่อนับ ผูหรือคพูดมีมีมีเป็นแบบมียานมีเหติผูท้ที่พูดพูดท่ทานก็มีไม่ใช่ท่านไม่มีแล้วจับประเด็นนี้ไปเลยแต่ น, นั่นเองเลือกคนที่พูดเรื่นี้คนที่ไม่มียานเรื่องนี้ก็พูดว่าในพูดเรื่องกัน ไม่ใครจะเด้แบบแบดูแลไม่เด้ตัวเองหลงตัวเอสูบตัวองทำไมวันนี้พวกเราอาจารแไปนอนดิขอสมุดเดี๋ยวเราหมายให้หลวงพ่อได้บ้าเราจะไั้คักด้วยเห็มกันนะไพาะว่าอยูนอากับ อถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่ก็ยังจับปูที่นั่งอยู่นะถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่ก็ยังปูที่นั่งไว้ให้หลวงพ่อขับไปแค่หลวงพัดทำเหนือนี่คือหลวงวัดเทียนนะหลวงวัดเทียนสายไปแล้วคือปูที่นั่งธรรวัดเป็นการธรรมวัดเสร็จก็ยังขับของวัดเทียน เดี๋ยวจะจะอาสนะก็อย่งไรเยนั่งตัวนั่งแสดงตอนตอนเช้าตอนยน่ตจด้วยกัน้ออรย